ธรรมะอยู่ในวงแคบจนนไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสุบผลอบรมธรรมะหรือการที่จะเอาธรรมะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เคยจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาจะขอนำธรรมะอันเป็นส่วนสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้เราจำกัดความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องรู้ของจิต เนเรื่องระลึกของจิตส่วนใหญ่ของสภาวาธรรมอยู่ที่กายกัตใจกายกัดใจเป็นสภาวาธรรมเป็นเครื่องรูของจิตเป็นเครื่องระลึกของจิตส่วนประกอบของกายกัดใจก็มีตาหูจมูกเล่นกายแหละใจ สิ่งที่จะพึงผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกกล้นกายใจก็คือโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในเมื่อกายปัจจัยเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกเล้นกายใจก็เป็นสภาวธรรม ส, สิ่งที่ผ่านเข้ามาคือโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นสภาวธรรม เป็นเครื่องโลของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเมื่อเป็นเช่นนั้นวิชาความรู้ภกสาขาวิชาหรือทุกศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเกกัดทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ย เรามองเห็นด้วยตาใช่ไหมได้ยินด้วยหูใช่ไหมได้สัมผัสด้วยกายคือการจิตเขียนใช่ไหมแล้วจิตของเราเก็บเอาไว้เป็นภูมความรู้จนสะสมไว้เป็นผู้มีความรู้มากถึงขนาดอยู่ในระดับปัญญาชนสามารถที่จะสอบเลื่อนขั้น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 การพิจารณารณทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจโดยยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเคสพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่นั้นจนรู้สึกว่าจิตของขั้นคล่องต่อการพิจารณาแล้วย่อมจะเกิดมีความสงบมีปเติมีความสุขสามารถดําเนินจิตเข้าไปสู่สมาธิสามขั้นตอนได้ เท่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาพวก โ, ธโธยกหน่อคองหน่อเป็นต้นเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าการปฏิบัติแบบนี้หรือการพิจารณาธรรมะแบบนี้เข้าใจว่าจะไม่มีอุปสรรคอันใดขัดขวางเมื่อเวลาท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไร เอาวิชาความรู้ของท่านนั้นมาเป็นอารมณ์ของจิตมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติตั้งใจกำหนดพิจารณาไปตามเรื่องราวที่ท่านได้เรียนมาเครื่องท่านสามารถที่จะจดจําสามารถที่จะพิจารณาได้กว้างสางพิสตารเพียงใดแค่ไหนพิจารณาไปตามภูมิแห่งความรู้ของท่านที่เรียนมาแล้ว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 อย่าให้ภากจากกันให้จดจ้องอยู่ที่งานที่ท่านทันั้นแล้วงานนั้นจะกลายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานสร้างสติให้เป็นมหาสติตัฐานได้สามารถที่จะยังสมาธิให้มีปีติมีความสุขและมีความสงบละเอียดไปตามขั้นตอนของสมาธิได้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 อะไรเป็นดวงแก้วดวงแหวนอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ม่องตรองต่อการเห็นรู้ต่างๆซึ่งเป็นภาพในมิตือความรู้ที่ผุกขึ้นมาในขณะที่ทําสมาธิภาวนาอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ในวงแคบมากเกินไปแม้ว่าผู้ภาวนาอาจจะสร้างในมิตเป็นดวงอะไรขึ้นมาได้ก็าตามหรืออาจจะเห็นภาพในมิตต่างๆก็าตาม หรือสามารถที่จะทําจิตให้บรรดาลเกิดภูมความรู้ขึ้นมามากมายก่ายฟองกับเพียงใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเท่านั้นแต่ถ้าใครไปยึดเอาความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นเป็นสาระแก่นสา ร, นสารในการปฏิบัติไม่ยึดเอาตัวสติที่มีความมั่นคง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 อันนี้ต่างหากซึ่งเป็นกดที่เราต้องการในการปฏิบัติคือี่ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติโดยแนวที่ยตกถึงวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วเอามาเป็นอารมณ์ของใจำำรำสติทำเจตู้อยู่ที่สิ่งนั้นแล้วรำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยเจตปฏินี้ไม่ใหุ้ลาดจากกัน จนสามารถค้นคิดพิจารณาทำจิตให้สงบลงเป็นธรรมิมีเตมีความสุดดขสดึ้นมาได้ผลที่จะพึงได้หนึ่งทำให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการทีท่ท่านเรียนมาแล้วนั้นกระจางแจ้งยิ่งขึ้นและพิสดานกว้างฝวางยิ่งขึ้นประการที่สองเมื่อท่านนึกถึง สิ่งที่ท่านจะต้องคิดเวลาใดเจตของท่านจะไปจดต้องปฏิของท่านจะตามรู้ตามรู้สิ่งที่ท่านคิดแล้วความคิตของท่านจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมรรถภาพของเจตของท่านสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่การค้นป่าพิจรารณาสิ่งที่ท่านต้องการรู้ได้โดยอัตโน ม, มัติอันนี้เป็นผลอันหนึ่ง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 ในเมื่อมีเรื่องราวเกิด อ, อะไรเกิดขึ้นภายในจิตทั้งภายนอกและภายในจิตของท่านจะสามารถปฏิบัติไปสู่การพลนปาพิจารณาเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจและผลสุดท้ายสติของท่านจะกลายเป็นสติวินญาอยู่จิตของท่านมีสติเป็นผู้นำาวอมนึกถึงทุงเอืองอะไรพักสติมันจะตามทัน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 โดยเอาอารมณ์ในปัจจุบันหรือเอาวิชาความรู้ที่ท่านเรียนมามาเป็นอารมณ์และพร้อมๆกันนั้นท่านไม่ต้องกันเลกว่าสิ่งนี้ไม่เทียงสิ่งนี้เป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นอนัตตาสิ่งนี้เป็นของปิตุภูลสิ่งนี้เป็นของหน้าเกลียดสิ่งนี้เป็นของโสโครกไม่ต้องไปเลิกอะไรทั้งนั้นแม้เรื่องราวที่ ไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ก็ตามซึ่งเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมทั้งนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวธรรมสิ่งนั้นก็ควรที่จะเป็นเครื่องรู้ของติเป็นเครื่องเ ล, ลือกของสติเพื่อย้ำให้ท่านเข้าใจอย่างยืดลึงลงไปขอตั้งปัญหาถามว่า คือ ท, ท่านเรียนวิชาความโลมาทุกสาขาวิชาตามที่ท่านเินเรียนจบมาแล้วท่านอาศัยการโลโด้วยตาใช่ไหมการเห็นด้วยตาคือการอ่านการได้ยินด้วยหูคือมีผู้สอนการสัมผัส ด, ด้วยกายคือใช้มือเกียน ถ้าสิ่งนั้นมีสีมีกลิ่นมีรสท่านก็สัมผัสรู้ด้วยจมูกแก ล, ลิ้นแล้วเสร็จของท่านจดเอาไว้เป็นความรู้สะสมความรู้ไว้จนกระทั่งสามารถมีภูมิความรู้โยในระดับปัญญาชนจนสามารถเอาวิชาความรู้นั้นไปสอบเอาใบ ป, ประกาศนฉลียบัตร ตามขั้นภูมินั้นๆที่ท่านเรียนผ่านมาดังนั้นในฐาระสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูสมูกลิ้นกายใจใจเราเห็นด้วยตาเราได้กินด้วยหูเราสัมผัสด้วยกายและเราจดจําไว้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งนั้นจึงเป็นสภาวะธรรมซึ่งได้ในคําว่าสัตเทธรร ม, มาอนาัตตาทั้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ด้วยกันหมดทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าคำวะจะไม่มีเกือยวพลอยู่ก็ตามถ้าหากว่าท่านพยายามที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอแนะนี้จะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติของท่านจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือความภาคเยสพยายามน้อยเท่านั้นเองวันนี้ ขอกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังเพียงแท่นี้แล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ทิจาจรณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามแนวทางดังที่ได้เสนอแน่นี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติได้ผลอย่างไรถ้าจะกรุณาจ ด, ดหมายให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะในสมัยปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ย รู้สึกว่าใครๆก็อ้างว่ามีอุปสรรคไม่ว่างบังละงานมากบังละเพราะฉย่นั้นจึงเสนอแนะให้เอาวิชาความรู้ในงานการที่เรียนมาแต่และทําอยู่นะั่นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต า, ตามพระไตรรับได้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 เราก็สามารถที่จะรู้อะไรดีๆกว้างขวางพิศดาลออกไปได้โดยไม่มีวงจำกัดขอบเขตดังนั้นจึงขอฝากภระติไว้สำหรับท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอความปรารถนาดีและด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจึงดลบันาดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันขอยุติเพียงแค่นี้ เป็นคือสมบัติของเราคนในประเทศชาติของเราคือสมบัติของแผ่นดินสมบัติของเราความรักความเมตตาปลาณีต่างๆมันจะเสูงขึ้นเมื่อก่อนี้เราว่าเรารักกันแต่เมื่อเรามาภาวนามีสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงบ้างความรู้สึกอันนั้นมันจะเปลี่ยนไปทันที ความลักที่เกลียดพลด้วยราคะโทสะโมหะอะไรนั่นมันจะหายไปยังเหลือแต่ความลักที่ประกอบกับความเมตตาปลาณิเราสามารถที่จะทําดีกับคนที่ทําดีได้ทุกคนหในความรู้สึกของนักภาวนาจะต้องเป็นแบบนี้และจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนใจเห็นว่าโลกนี้มันเปโลกที่น่าเบัว เป็นโลกที่น่าศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงเป็นโลกคี่ควรจะรีบเร่งทําความดีให้มากยิ่งขึ้นอันนี้จะวิถีชีวิตของนักภาวนาที่มีคว า, ามเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความรู้ทำเห็นทำนี่ยก็หมายถึงว่ารู้สภาพความเป็นจริงของจิตคือความรู้สุดของเราว่ามันเป็นอย่างไร ในไม่เจิตของเราดูว่างๆไม่มีความรู้สึกไึกคิดอะไรนี่มันเป็นอย่างไรในเมื่อมันไปรับรู้อารมณ์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นความยินดีแหละความายินได้แล้วเจิตของเราผูกพันยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าหากว่าเจิตของเราไม่ยึดเหนี่ยวในอารมณ์นั้นนั้นมีอาการแปรปั้นกับวัดทำท่าทีไม่สนใจกับสิ่งนั้นนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเป็นชนิดที่วางเฉยไม่เอาไหนถ้าวางเฉยชนิดที่ทอดทิ้งไม่เอาไหนเนี่ยไม่ผูกต้องแน่คำว่าวางเฉยตามหลักของสมาธิที่เรียก ว, ว่าเอากัคตาสัปุเบขานั้นไม่ใช่เฉยอย่างไม่เอาไหนเฉยอย่างไม่รู้ไม่ชี้ไม่ถูกเฉยแต่ว่ามีความสนใจรู้ซึ้งอยู่ในสิ่งที่ได้พบเห็น ในเมื่อต้องการจะพูดประคิดอะไรมันจะเป็นเรื่องเป็นล่าลรูจรึงเห็นจริงขึ้นมาทันทีอันนี้เป็ลักษณะ ข, ของภูมิจิตภงมิใจของนักภาวนาที่ถูกต้องถ้าว่าภาวนาเป็นแล้วเข้าสมาธิหลับหูหลับตาเมื่อมองดูโลกภายนอกอันนั้นภาวนาแล้วมันจะทําให้โลกเสวมพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องแน่ หากพระพุทธเจ้าเห็นว่าการทำสมาธิแล้วต้องสลัดทิ้งโลกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ก็คงไม่เสียสละความทุกข์ยากลําบากเสด็จเนยส่วนพระองค์มาแสดงธรรมก็บพวกพวกเราคําสอนก็คงไม่มีเหลือค้างอยู่ในโลกแล้วเพราะฉะนั้นพระคนอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณความรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยที่โลกมักตามเป็นจริง และการที่สองพระปริสุทธิ์ทุกุลตายวาจาใจของพระองค์สะอาดบ ร, ริสุทธิ์ละการสุดท้ายพระมหากรุณาทุกุลทรงสลากความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงคำโปรดเจในยสัตว์ถ้าหากว่าสัตว์ที่ปรากฏในขายพระยานของพระองค์ที่ควรรับกฐธรรมเทศนาจะใกล้ไกลแสนไกลสักปันใดก็เสด็จไปปลก ทีนีถ้าหากว่าเราพระเจ้าสําเร็จแล้วไม่เอาไหนพระองค์ก็จะไม่มีผลในสมบัติให้เราได้ศึกษาเ่าเรียนหรือได้พละดาบกลุ่มของพระองค์มาตากเข้าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิอันใดที่เราทําแล้วมันเบื่อโลกเบื่อสังคมเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ถูุกได้ถ้าสมาธิที่เราทําแล้วมันเอาสังคมหรือเอาเรื่องของโลกเนี่ย มาเป็นเครื่องรู้มาเป็นเครื่องเลิกแล้วพยายามทำประโยชน์ให้มากๆนี่เป็นสมาธิที่ถูกต้องทรมาตามหลักคาสอนที่เรียก ว, ว่าสภาวะธรรมนั้นมันแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนเวลาเราทำสมาธิให้ใจสงบจนกระทั่งว่ากายไม่มีเหลือปล่าสดโดยความรู้สึกในขณะนั้นถ้าเราจะโูธรรมเห็นธรรม มันก็มีแต่เพียงปรากฏการเกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคืออะไรจิตมันไม่เลี่ยก็พราะธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้นมันเป็นส่วนโลภตละคำอยู่เหนือโลกมันเป็นเพียงความรู้ของท่านผู้บำเพ็ญจิตเฉพาะผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นรู้ด้วยไม่ได้และ ทำมาที่ปรากฏในขณะนั้นมีแต่อนาตากับกฎธรรมชาติของความเป็นจริงอนาตาตัวตนผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ความเป็กลางล้วนๆแต่เมื่อนักภาวนาเมื่อถอนจิตลงมาสัมผัสกับความเป็นอยู่ของโลกอย่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยหรือในสังคมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้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 ส่วนที่เป็นอลัตตาคุโลกุตละธรรมที่อยู่เหนือโลกไม่มีสมมติมบัญญัติแม้ประบาทสมมหนูพระเจ้า อ, อยู่หัวของเราก็ทรงรับสั่งถามว่าธรรมะที่เกิดกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติไม่รู้จักที่ธรรมะนั้นจะถือเป็นการใช้ได้ไหมอันนี้ก็แสดงว่าพระชายของพระองค์ได้สัมผัสกับธรรมะส่วนละเอียดแล้ว ถาดํารัตถามปร ะ, ะโยคนี้ถ้าหากว่าผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมยังไม่เคยสัมผัสจะไม่มีปัญญาตอบได้เลยเพราะมันเป็นคําถามที่ที่ไม่ช่จะมีใครถามบ่อยนักในเท่าที่อาจาราได้ศึกษาเลยปฏิบัติทํามาแล้วก็สอนทําโอ้บรรดาญาติโยมทั้งหลายมาก็เพิ่งมีประบาดสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่านั้นที่รับสั่งถามปัญหาข้อที่ว่านี้ โดยธรรมชาติสองเจตคือบรรลุถึงทำขั้นละเอียดกันจริงๆที่อยู่เหนือสมมติบัณฑิตนั้นย่อมไม่มีชื่อที่จะเรียกว่าอะไรทั้งสิ้นเรามีหลักฐานที่จะพึงยืนหยันแม้แต่ผสมมัทศสนาคือธรรมจักกบปวัตตนสูตรเท่านั้นเราก็มีหลักฐานเพียงพออย่างกิณติสมุทญาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติจึงได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักชื่อนั่นเองอันนี้คือหลักฐานการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าเทศสามกันทำมาจากปร ะ, ประวธรราสูตรเป็นอุบายปลูกฝังสิตใจและความรู้สึกของผู้ฝังให้อย่างซึ้งถึงแก่นแห่งคุ ณ, ณธรรมเพียงจะเกิดความเลื่อมใสยิ่งในคุ ณ, ณธรรมเท่านั้น ที่นี้อลัตตลับคณะสู่สอนให้รู้จักอ น, นิจจงทุกขังอนัตตาอั น, นิจสอนให้รู้จักสภาพความเป็นจริงของกิเลสและอารมณ์อาทิตตะปริยาเจาสูขอสอนให้รู้จักโทษของกิเลสลาทักขิโทสัคขิโมหักขิไปสุลาคะไปคือโทสะ ไ, ไปคือโมหะไปสามกองนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตา ได้เห็นรูปเกิดความยินดีเรียกว่าลาภะเกิดความยินได้เรียกว่าโทกะหลงเรียกว่าโมหะอันนี้เป็นอุบายสอนให้ผู้ฟังรู้จักคุณในโทษของกิง่นิโนโสอนัตตะลัพนสูตรสอนให้รู้จักความเป็นจริงของสภาวธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตา เราจะศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในระสูตรสามสามสูตรนี้พอแล้ว